เรียกว่าจิตอยู่เหนือวิสัยของชาวโลกขึ้นถึงฐานะอันใหม่ที่ท่านเรียกว่าโลกุตระภูมิการที่จะเข้าใจโลกุตระภูมิได้ชัดเจนเราจําเป็นต้องรู้เรื่องที่ตรงกันข้ามกล่าวคือโลกียภูมิด้วยเหมือนกันโลกียภูมิก็คือระดับของจิตที่สิ่งต่างๆในโลกมีอิทธิพลเหนือจิต แบ่งโดยสรุปที่สุดออกเป็นสามพวกกล่าวคือกามาวจรภูมิหมายถึงระดับของจิตที่ยังพอใจอยู่ในกามทั้งปวงถัดไปคือรูปาวจรภูมิได้แก่ฐานะของจิตที่ไม่ต่ำจนถึงกับพอใจในกามคุณแต่ว่ายังพอใจในความสุขซึ่งเกิดจากสมาบัติที่เพ่งรูปเป็นอารมณ์อันไม่เกี่ยวกับกาม ภูมิที่ถัดไปอีกคืออรูปาวจรภูมินี้คือสถานะของจิตที่ยังพอใจในความสุขสงบที่สูงขึ้นไปกว่านี้อีกชั้นหนึ่งเกิดความสงบโดยยึดสิ่งไม่มีรูปเป็นอารมณ์ถ้าจะจัดให้เป็นคู่คู่ระหว่างภูมิกับภพบก็มีทางที่จะทำให้ภูมิหมายถึงสถานะหรือระดับแห่งจิตใจของผู้นั้นส่วนภพ หมายถึงภาวะเป็นอยู่ที่เหมาะสมแก่ผู้ที่มีภูมิแห่งจิตใจเช่นนั้นนั้นฉะนั้นผู้ที่ติดอยู่ในกามาวจรภูมิก็คู่กับกามาวจรภพรูปาวจรภูมิก็คู่กับรูปาวจรภพและอรูปาวจรภูมิคู่กับอรูปาวจรภพคำว่าภูมินั้นหมายถึงสถานะทางจิตใจคำว่าภพ หมายถึงภาวะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของผู้ซึ่งมีจิตใจต่างๆกันจึงแบ่งได้เป็นสามภูมิสามภพโลกิยะภูมิคือสถานะทางใจของสัตว์สามัญทั่วไปแม้จะสมมติเรียกชื่อต่างกันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรมสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นสัตว์นรกก็ตามก็รวมอยู่ในสามภูมินั้นคนหนึ่งหนึ่งในโลกนี้ อาจจะมีจิตใจอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่เป็นการเหลือวิสัยแต่ส่วนมากจะต้องตกอยู่ในกามาวาจรภูมิเป็นธรรมดาคือจิตของมนุษย์เราโดยปกตินั้นตกอยู่ใต้อิทธิพลของความอรดอร่อยทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ในบางคราวบางโอกาสอาจจะพ้นออกมาไดจากอิทธิพลของสิ่งยั่วยวนเหล่านี้ได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 หรืออรูปราวจรภูมินั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามีอยู่ทั่วๆไปในป่าสำหรับบัตรนี้มีน้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นฐานะที่คนทั่วๆไปจะเข้าถึงได้อยู่นั่นเองทั้งยังกล่าวได้อีกว่าเมื่อใดจิตของผู้ใดตั้งอยู่ในภูมิใดเมื่อนั้นสภาวะที่เขากำลังอาศัยอยู่นั้น ก็จะกลายเป็นภพที่มีชื่อนั้นไปทันทีเช่นใครคนหนึ่งในโลกนี้กำลังเป็นสุขอยู่กับรูปราวจรสมาบัติโลกนี้ก็กลายเป็นรูปราวจรภพสำหรับเขาไปเพราะเขาไม่รู้สึกในสิ่งอื่นใดนอกจากรูปราวจรภูมิโลกนี้ขณะนั้นและสำหรับเขาผู้นั้นก็มีค่าเท่ากับรูปราวจรภพไปจนกว่าฐานะแห่งจิตใจของเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ผู้ที่อยู่ในภูมิทั้งสามนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับความสุขความสงบชนิดที่เหมือนกับว่าเป็นก้อนหินก้อนดินหรือท่อนไม้ไปแล้วแต่ก็ยังมีความยึดถือตัวตนอย่างอาศัยตันหาต่างๆชนิดตลอดถึงตัญหาชนิดที่ละเอียดที่สุดเช่นไม่ชอบภาวะที่ตนอยู่ตนเป็นจนทำให้ต้องสแสวงหาภาวะใหม่มีการประกอบกรรมต่างๆด้วยอานาจของความอยากนั้นเพราะฉะนั้น จึงไม่เรียกว่าอยู่เหนือวิสัยโลกไม่ใช่โล ก, กุตรภูมิจึงจัดไว้เป็นโลกียภูมิส่วนโล ก, กุตรภูมินั้นมีจิตอยู่เหนือวิสัยชาวโลกมองเห็นสภาพของโลกเป็นของไม่มีสาระตัวตนที่เป็นแก่นสารใจไม่ต้องการสิ่งใดๆในโลกพวกที่ตั้งอยู่ในโล ก, กุตรภูมินี้ยังแบ่งออกเป็นชั้นๆตามหลักพุทธศาสนาเป็นมรร เป็นผลสี่ชั้นด้วยกันคือชั้นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอระหันต์ความเป็นพระอริยบุคคลสี่จำพวกนี้หมายถึงโล ก, กุตระภูมิคําว่าโล ก, กุตระแปลว่าอยู่เหนือโลกหรือยิ่งไปกว่าโลกหมายถึงจิตใจมีได้หมายถึงร่างกายร่างกายนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้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 กิเลสต่างๆที่จะพึ่งละให้ขาดไปกิเลสในหมวดนี้ท่านจำแนกไว้เป็นสิบอย่างเรียกว่าสังโยชน์แปล ว, ว่าเครื่องผูกพันอย่างพร้อมพร่งทั้งผูกพันทั้งสิบนี้ผูกพันคนหรือสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในโลกคนจึงตกอยู่ในวิสัยนี้และเป็นโลกิยะภูมิฉะนั้นถ้าตัดเครื่องผูกพันเหล่านี้ออกเสียได้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 สัญชตาตญาณว่ามีตัวเรานี้เองเป็นไปหนักแน่นมากถึงกับใครๆก็ย่อมคิดว่ามีตัวตนของตนอยู่ทั้งนั้นเพราะเป็นมูลฐานที่ทำให้ชีวิตทรงอยู่ได้ทำให้รู้จักป้องกันตัวทำให้สแสวงหาอาหารหรือสืบพันธุ์เป็นต้นแต่ที่เรียกว่าสักกยทิฐิในที่นี้ประสงค์เอาเพียงชั้นหยับหยาบที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวจัดถือเป็นกิเลสตัวแรก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 มันเป็นของที่เหมาะสมแก่ตนหรือไม่ทําได้หรือไม่มันดีกว่าสิ่งอื่นจริงหรือไม่ทําได้จริงจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ตรัสรู้ถูกต้องจริงหรือเป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากความทุกข์จริงหรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือการปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพระองค์จะนาไปสู่ความดับทุกข์จริงหรือพระอาริยสงปฏิบัติพ้นทุกข์ได้จริงหรือ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 นับเป็นศีลพัตะปรามาต a โดยไม่ต้องสงสัยแม้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติไปด้วยความเข้าใจผิดว่าจะเกิดความขลังความศักดิ์สิทธ์เกิดฤทธิ์อำนาจมาคุ้มครองเราได้อย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติโดยหวังผลผิดทางและไร้เหตุผลอยู่นั่นเองตัวอย่างเช่นการสมาทานศีลหรือประพฤติพรหมจรรย์ ซึ่งที่แท้ก็เพื่อกำจัดกิเลสแต่ถ้าไปเข้าใจว่าจะทำให้เกิดอำนาจขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วใช้ความขลังนั้นตัดกิเลสได้อย่างนี้ก็เป็นความยึดถือซึ่งผิดความมุ่งหมายเดิมการปฏิบัติอย่างเดียวกันแท้แต่ถ้าเข้าใจผิดโดยยึดมั่นในทํานองไรเหตุผลหรือเห็นเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็เป็นศีลพัฒปรามายไปทั้งสิน้น แม้ที่สุดสมทานศีลปฏิบัติสิกขาบทด้วยความคิดว่าตนจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์อย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยย่อมเป็นการจับฉวยศีลและวัดผิดความมุ่งหมายของพุทธศาสนาไปทำให้การรักษาศีลและพรมจรรย์ของตนเศร้าหมองเพราะว่าความมุ่งหมายของพระวินัยนั้นก็เพื่อกำจัดกิเลสในส่วนห ย, ยาบๆทางกายและวาจา เพื่อให้เป็นรากฐานของสมาธิและต่อไปถึงปัญญาเป็นลำดับลำดับไปหาใช้มุ่งหมายเพื่อให้ไปเกิดในสวรรค์ไม่นี้ได้ชื่อว่าทำศีลของตนให้สกปรกเศร้าหมองไปด้วยความยึดถือที่ผิดด้วยอำนาจของความคิดที่ผิดเรื่องให้ทานก็ดีเรื่องรักษาศีลก็ดีเรื่องเจริญสมาธิภาวนาก็ดีซึ่งถ้าทำไปด้วยความสำคัญผิด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 แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ชาวบ้านเราชอบทำกันอยู่ทั่วๆไปเช่นการสวดมนต์ทำบุญบ้านหรืออะไรก็ตามจะต้องเอาข้าวสุกและสำรับข้าวหวานชุดหนึ่งมาตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปเป็นทำนองเส้นวิญญาณพระพุทธเจ้าหรือเป็นการถวายข้าวพระเชื่อกันว่าวิญญาณของพระพุทธเจ้าจะได้ฉันข้าวที่จัดมาทาถวายถ้าทาด้วยความรู้สึก หรือเข้าใจเช่นนี้แล้วก็ยอมเป็นการปฏิบัติผิดความมุ่งหมายเต็มร้อยเปอร์เซน์โดยไม่ต้องสงสัยเรื่องการประพฤติผิดต่อความประสงค์ที่ถูกต้องนั้นนับว่ามีดาดเดินอยู่ทั่วๆไปในวงพุทธบริษัทเป็นการทำไปอย่างงมงายไร้เหตุผลทำให้ข้อปฏิบัติหรือระเบียบที่ดีงามอยู่แล้ว ต้องสบกับปรกไปด้วยความโง่เขลาและความหลงผิดของคนเหล่านั้นเองนี่คือความหมายของคําว่าศีลพตะปรามาตเราจะเห็นได้ว่ากิเลส ข, ข้อนี้มีมูลมาจากโมหะคือความเขลาเข้าใจผิดคนเราเคยถือของขลังถือของศักดิ์สิทธิ์มาแต่เดิมเพราะได้รับการสอนกันมาผิดผิดอบรมกันมาผิดผิด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 ตอนนี้ควรทำความเข้าใจคำว่าพระโสดาบันเสียก่อนจะช่วยให้เข้าใจคำว่าสกทาคามีง่ายขึ้นคำว่าโสดาบันแปลว่าผู้แรกถึงกระแสถ้าถามว่ากระแสแห่งอะไรก็ตอบว่ากระแสแห่งนิพพานนั่นเองพระโสดาบันเป็นผู้ถึงเพียงกระแสของนิพพานยังไม่ถึงตัวนิพพานกระแสนี้คือเกลียวที่ไหลไปสู่นิพพาน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 ส่วนพวกที่สองที่เรียกว่าสกิทาคามีนั้นใกล้ชิดนิพพานยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจนถึงกับมีอะไรเหลืออยู่น้อยในความเป็นอยู่ในโลกนี้ถึงจะกลับมาสู่อารมณ์แบบมนุษย์อีกก็เพียงหนเดียวเพราะโลภะโทสะโมหะเบาบางลงมากแต่ยังไม่หมดไปสิ้นเชิง